بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه وصفاه الكريم وعلى آل ه الطيبين الطاهرين و أ ص ح ا ب ه الغر الميمين ومنتبعهم ب ح س ا ن إلى الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سورة التوبة نبدأ ا ل آ ي ا ت ي تي ت هنا ا ل ي تي ث ا ن ي إ ِ ذ و َ أ ي َّ ظ َ ه ُ ع ل ي ك م ل ا ي ر ْ ق و ف ي ْ ك ُ م إ ل ا و ل ا ذ ِ م َ ي ر ض و ن ك م ب ِ أ ف و ا ه ه م و ت ب ف ل ه م أ َ ر ه م ف ا س ق و ن إ ا ت ي ب َ ى ب ِ ي ل َّ نَحْنُ ت <تصفيق> ع ن َ ل ع َ ي ن َ ا ا ل ر ا ل ْ أ َ ر ْ وَالْأَرْضُ و َ ا ل و ا ل ْ أ َ ر ا ن ه و ت ع ا ل ى أ ي ر ْ ض ُ หัวใจผู้ศรัทธาที่อาจมีความแคลงใจในการที่จะยกเลิกพันธสัญญาทุกประการที่เคยทำกับวกมุชริกินเมื่ออดีตเนื่องจากประวัติของเขาประวัติวิดีของเขาในการอักล้างในการทำลาย ถ้าหาลายรัศลบำบัดหัวใจของอุสถาบางคนที่อาจแกลงใจว่าทำไมต้องทำไมต้องประพฤติกับเข้าแบบนี้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางคนในหมู่หมู่ผู้บูชาจวิตที่ต่อต้านน บ, บีและศาสนาอิสลามนั้น อาจมีเครือยาตอาจมีบุคคลที่หัวใจเขานี่มีความหวังดีแต่ Allah Subhanahu wa taala ซึ่งผู้สธาณิตระหนักแล้วนะ a l ล a h จะเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้ดีโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน เพรนั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุห์านุวาทานัได้บ่บ่เขาใจผูดสัตว์ทานันเราไม่ได้พูดถึงพืตนที่กัเพราะนี่มักจะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยมนุษย์มนุษย์ด้วยกันนะพอมองเห็นได้และพอจะตีความได้แต่สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเนี่ย และนี่เป็นข้อสังเกตในพอเราอ่านคุรานนะแต่ลครั้งนี้ผมก็เคยพูด่องนี้มาหลายรอบแล้วพอเราอ่านคุรานนี่เราสังเกตว่าอัลลอฮุสซาลฮุมคัมพีคุรานเนี่ยผู้ที่กำลังให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความลับที่อยู่ในภายในหัวใจข อ, ของมนุษย์ด้วยกันสแต่ว่านี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างพิเศษที่เราจะศึกษาเรียนรู้หนึ่นงควักควักสิ่งที่อยู่ในหัวใจเอามาเปิดเผเราใกล้ฝาจะมีสัญญาใดๆยังไงเราเขา เขาก็มีสัญญาจริงเขาก็เคยมีสัญญาจริงแ้าเราก็จะเชื่อในสัญญาใดๆที่เคยทำไว้กับพวกเจ้าเนี่ยจะเชื่อเด้งไงและหาพวกเขามีชัยชนะหาพวกเขานี่เป็นเรื่องเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต่ที่ไม่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใคร รับรู้เลยนะขอบพระทัยขอบพระคุแสดงงวดเจตนาของเขาแต่เขารับใช้ชนะเนี่ยเขาจะจัดการมุสลิมและอิสลามอย่างรุนแรงนีอันนี้เป็นเรื่องอยู่ภายในใจิตใจของเขาอัลลอฮฺจึงไม่ไม่เถียงกับคนที่มีมีข้อสงสัยใดๆว่อพฤติกรรมเขา แ, แบบนี้พฤติกรรมเขาแบบนี้เพราะนี่จะเป็นการตีความด้วยเครื่องมือและหลักฐานเดียวกัน คือชั mortar, ้นเดียวกันแล้วจะจะเถียงด้วยด้วยหลักฐานชั้นเดียวกันเหรอจึงต้องมีอะไรที่มันเด็ดแล้วมุสลิมก็เถียงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องลับในเรื่องเรื่องลับเรื่องเหนือวิสัยที่มนุษย์มนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่จารับรุได้ ว่าเอวฮารว่าอะกูจะเข้าชนะแล้วเนี่ยเหนือพวกเจ้าแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่คำนึ่งถึงเครืญาติไม่คำหนึงถึงอัลลอฮ์ไม่คำหนึงถึงหลักการศาสนาศิลธรรมวลาดิมห์ิลลันบอว่าเครืญาติิลลันบอว่าพระเจ้าิลลันอิลลั่นของอัลลอฮ์วลาดิมห์ิิมห์รูปการศาสาข้อตกลงใดๆเนี่ยเขาไม่คำนึงหรอกซึ่ง การนี้เขาจะไม่คำหนึงอันนี้ไม่คำหนึงอันนี้เป็นกริยาที่มองเห็นไหมกริยาที่มองไมเห็นคำหนึงบางทีเนี่ยเราอาจจะตีความได้แต่สมมติาบรรยายแล้วก็มีคนไม่สนใจกำลังเล่นเกมกินถั่วอย่างเงี้ยก็อไอ้นี่ไม่คำหนึงไม่คำหนึงถึงความรู้ มันก็พอตีความแต่นี่มันเรื่องเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ่ถ้าเขาชนะนะซึ่งไม่มีพฤติกรรมใดนในๆที่จะสื่อให้ตีความได้อันที่แสดงว่ามันมันมันเป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์ทั่วไปนี่ไม่สามารถรับรู้ได้ที่สำคัญนะที่ผมตรงย้อนหลังหน่งาม า, ม า, ม า, มาที่ใบในอีกรอบหนึ่งนะ ยูรดูนะคุณบีอฟวายหิมวัฒนาคุลบูพวกเขาทำให้พวกเจ้าพึงพอใจด้วยลมปักของพวกเขาเท่านั้นวัฒนาคุลูบูโดยที่หัวใจของเขาในปฏิเสธก็หมายรวมว่าเขาใช้ฝีปากในการยืนยันในข้อตรกนุง อเอ้ยตัวตกลงเราทำเดี๋ยวเราเราไม่มีผิวให้สบายใจอันนี้ที่อัลลอฮ์หมายรวมสิ่งเดี๋ยวจะมีหลังนี้สองสามอายุนี่อัลลอ์จะอัลล์จะให้ผู้สรทานยได้ได้ไล่ประวัติของชริกินไล่ประวัติว่าเขาเคยทำอะไรกับเราเขาเคยพูดยังไงและทำยังไง จะได้พิสูจน์ว่าคำพูดด้วยลมปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมความพอใจความพอใจส่วนตัวส่วนบางคนซึ่งซึ่งบางคนนี่ก็คือบุคคลที่ถึงแม้ว่าอยู่ในหมู่ผู้สถานี่บางคนที่อาจจะรู้สึกไม่สบายใจว่าจะยกเลิกจะยกเลิก นะก็ว่านในยุคนี้เนี่ยรู้สึกว่าการที่มุสลิมได้ทำจิ h a d ในการในการปกป้องอิสลามเนี่ยไอ้มันเป็นความรุนแรงมันเป็นนะมนในนี้ก็มีมุสลิมที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้นั่นหมายรวมว่าความพอใจส่วนตัวของผู้นำหรือบางคนของของหมู่ผู้ศรัทธาเนี่ย ไ ม, ไม่ไม่เพียงพอที่จะสรุปท่าทีของสังคมมุสลิมต่อศัตรูหมายถึงว่าสมมผู้นำหรือมุสลิมบางคนพอใจในศัตรูพอใจอ๋อฉันฉันรู้จักดีนคนดีเป็นอะไรมันมันเป็นความรู้สึกส่วนทั่วมันเป็นความพอใจพอใจใจ ไม่เพียงพอที่จะมายืนยันในผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมไม่พอซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ที่เรากำลังกาลังเห็นกันในสังคมปัญหาใหญ่ที่ประเทศชาติกำลังสรุปแล้วปัญหาใหญ่ตอนนี้เนี่ยใช้นํำท่วมัหมเออ ตอนแรกนึกว่าน้ำท่วมนะไปไปพิบัติน้ำท่วมนี่เออถือว่าสุดยอดของความเดือดร้อนของชาวบ้านแนละ้ปรากฏว่าอุปัิเหตุเดียวนะเหตุการณ์เดียวนะทำให้คนไทยทั้งประเทศเนะี่ยมองเรื่องเรื่องน้ำนี่เป็นจิ๊บๆเลยเองมันรู้แปลกนะทั้งทั้งดีมีโอกาสนะคนที่จะเสียชีวิตจากน้ำท่วม จากปบัติเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันคนที่เสี ย, เ ส, ยเสียชีวิตเอ อ, เ อ, อสังเกตไมคนที่เสียชีวิตจากโควิดก็เย อ, อะนะเท่าไหรบ้านเราเท่าไหร่หมอบ้านเราหลักพันใช่ไหมพันสองพันอะไรเนี้ยเยอะมากเลยเทประเทศประเทศนหลักหมื่นหลักแสน บ้าเรานี่หลักพันยังไม่ถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่เราไม่เศร้านะเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เศร้ามากเท่ากับสามสิบกระสบที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของของคนที่มีประวัติของสิ่งรสพิ์ที่เราเห็นด้วยั้มพอโควิดมานี่ยเขาสั่งให้เอาทงลงมเอ๊ะ ไม่เล่แลแล้วให้สังเกตด้วยนะเราทุ่มงบประมาณเท่าไหร่เราทุ่มงบประมาณเท่าไหร่ในการป้องกันโรคโควิดเพียงสองปีนะสู้กับโรคโควิดทุ่มกันทุ่มกันไปเท่าไหร่แต่เราอยู่กับยาเซฟติดเนี่ยกี่สิบปีแล้วเราทุ่มไปเท่าไหร่ แล้วทุ่มไปเท่าไหร่ก็เหมือนว่ามีมีพฤติไนอะมีมีมีสัญญาใจว่ายาเสพติดยาบ้าเนี่ยมันคงไม่อันตรายกว่าโควิด1 9โคโรนาคงว่าแต่ที่ชัดกว่านี้นะ ความพอใจของคนบางคนในสังคมในสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายไปแล้วที่ถูกตากฎหมายไปแล้วเช่นสุราบุรีและล่าสุดนี้ก็คือกัญชากัญชมความพอใจพักเดียวความพอใจุทธพักเดียว เอาสูวนะคนนิยมพักพักนี้เนี่ยก็ยังมีในสภาเนี่ยมีกี่สิบคนน่ะมันสื่อถึงอัตราสัดส่วนของของของความนิยมของประชาชนกับพักพักตัวนี้กับพักพกนี้แต่ความพอใจเพียงส่วนหนึ่งทำให้เราเนี่ยยุติสงครามกับซิงเสียมติดชนิดหนึ่งม สง ก, ก่อนก่อนหน้านี้เนี่กชงใครใครถูกจับนี่นก็เหมือนยาบ้า่แหละถูกจับเสบหรือคาหรืออะไรผมได้แต่ก่อนนูนนะ่ะแม้กระทั่งกระท่อ ม, มนะก่อนที่จะเอกระท่อมไงกระท่อมนีไปก็กระท่อม น, อมนี่ถูกจับเลยนะเนี้ล่ะมามีใครเห็นบ้างกับปากซอยหน้าบ้านนะ่นี่ะอมีใคร มีใครไม่เห็นกระทมบ้างตอก่อนนู้นน่ะผมอายนะตอก่อนนู้นะผมไม่รู้ว่าไปก็ต้องแน่าตามไปยังไงไม่รู้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยกฎหมายไม่มีใครกล้ามัซื้อขายกันก็ต้องห่อใส่กระดาษใช่ไหมใ จ, ใจนู่นใจนั่นแต่นี้แหละใครมาใครมาว่าี่ทิมตาเลยอะ่ะใครจะมาเอะอะอะไรกับ มันถูกกฎหมายนะเว้ยความพอใจส่วนตัวส่วนตัวหรือบางกลุ่มนะทำให้หมดความโกรธหมดความไม่พอใจของประเทศถึงประเทศเลยนะครับกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรารความประหลาดความตลกสิ้นดีเนี่ยเราเนี่ยเรากำลังจะประกาศสงครามกับยาเสพติดหรล้วแต่ถามจริง นี่ยที่เขาตั้งกรรมการใหม่ลเลยนิดนิดแต่งกรรมการอะไรนะกรงมกานชื่อยาวเหมือนเดิชนะื่อยุ่ยาวยาวชื่อกะยาวกรรมการคนเยอะคนงานถามว่าต่อต้านนี่ยอะไรบ้างต่อต้านกัญชาไหมต่อตอน้นกระท่อมไหมต่อต้านเหล้าไหมต่อต้านบุหรี่ไหมถ้าถูกถามอ่ะ คนเราบางทีเนี่ยคนเราเองอะเราส่นวนตัวผมเนี่ยผส่นวนตัผมนี่ทําบาปผมทําบาปผมรู้ว่าผมนี่ผิดแล้วมีคนมาถามว่าเรื่องนี้เนี่ยทําได้ไหมดีไหมด้วยความที่ผมนี่ทําบาปอยู่แล้วถ้าผมเนี่ยเอาความพอใจส่วนตัวนะส่วนตัวทำํำ อะไรยุง่งอะไรเยอะแยะอย่มไม่ต้องมาเยอะเกินไปแต่าทาอะไรก็ทำไปแต่ถ้าว่าคํานึงถึงส่วนรวมนีแ่แการศาสนาท่านรู้ว่าเราทำแบบนั้นอยู่นะแต่เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาอะอย่าทําเลยอย่ามียุ่งกับเรื่องนี้เลยเราอาจเอาประสบการณ์ของเราหนิมันเป็นตัวอย่างเตือนใจเขาด้วยซ้ำอย่าทำเล็กถึงทํามาแล้วมัน ไ, ไม่ดีหรอก มันไม่มีประโยชน์หรแต่ทุกวนนี้ในสังคมนในมันช้ตอนใบดีว่าอะไรซูมันดีซูฟียนอัลซาวรีได้บอกว่าอิฟต์ต์ฟัสต์ละฮ์คือมันบาปเดียวที่จะถูกแฉนะทุกคนนี่ทำบาปเดียวถ้าแฉนี่ก็แฉหมดใช่ป่ะงั้นทาข้อตกลงกันเออแก ปิดปากแล้วกูจะปิดปากเดี๋ยเคยดูนะไม่มีหรอกไม่ประสบความสำเร็จการต่อด้านยาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จต่อเมื่อยังมีพี่น้องสิ่งเสพติดนี่นะอ ย, นอยู่ในอยู่ในอาณาเขตที่ปลอดภัยนี่รับความคุ้มครองส่วนหนึ่งของสิ่งเสพติดนี่คุ้มคุ้มครองนะเละ็กส่วนหนึ่งประกาศสงครามเป็นไปได้ไงอันอนี่เหตุผลเดียวที่เราบอกว่า มูชนของของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดเนี่ที่เขาปากาเคยประกาศสงครามกับท่านนาบีเคยขับไล่นบีออกจากมากกาเคยเข็นฆ่าผู้ศรัทธาไล่ล่าผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนนี่ยไปสังหารอย่างเดีย ว, วเพร่วานว่าแล้วเขาเข้ารวมตัว ร, ว ม, ร, ว, มรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนเลยนะถ้าเรามีความพอใจส่วนตัวโอ้คนนะ่าสงสารคนนะึงนยอย่าเบียร์ลุงของท่านนาบีเองทําสงครามถูกถูกบังคับ ไอ้มาทำสงครามบัดอยู่ในฝ่ายของลงพ่เนบอาสบนำ ม, มุตลิบอยู่ในฝั่งมุชริกินตกเป็นชเชลยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลุงกูอ้นบเ้ยลๆๆลุงลงุงงมต้องไปยุ่งไม่ความพอใจส่วนตัวนจะไม่มาทำลาย ผลประโยชน์ส่วนรวมและนี่คือความเป็นธรรมะความเป็นธรรมะต้องเอาทศานะัทศนคติส่วนตัวผนวกกับความเห็นส่วนรวมต้องผนวกให้ได้แต่ถ้าแยกกันแยกกันอย่างสิ้นเชิงหรือมีปนปนกัน ความเห็นส่วนรวมนี่ก็มีความเห็นส่วนตัวเข้าไปเข้าไปแจมด้วยอันนี้ต้องมีความเสียหายตามสัด ส, ส่วนของความเห็นส่วนตัวที่มันเข้าไปอยู่ในความเห็นส่วนอื่สงครามอัดนี่ท่านนาบีไม่เห็นด้วยกับซาฮับาที่จะออกไปจากมัดีนะไปตามสงครามไม่เห็นด้วยท่นานนบีบอกว่าฝันฝันว่าฝันว่าเห็นวัวนี่ถูกเชื่อ ท่านท่า น, นาบีทำนายทำนายว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นซอพอท่านนาบีถามซอว่าเนี่จะอาครับจะจ ะ, จะสู้ยังไงจะอยู่ที่มาดีนะเนี่ยปกป้องมาดีนแล้วรอให้เขามาแล้วเราจะได้มีฐานมีมีปักหลักอยู่ที่นี่มีมีฐานหรือจะเดินทางไปหาเขาซอว่า โดยเฉพาที่เป็นเยาวชนที่ไฟแรงนะแล้วก็ส่วนมากที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปทําสงครามบัเดินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทาบทบาทเราอยากจะไปที่ห้าเราอยากจะไปสู้อยากจะไปจัดกันส่วนมากนี่ขนาดนบีนะเสียงส่วนมากถามใหนมัสยิดเลยจะออกหรือจะอยู่ครับรับมือสงครามที่นี่ที่มัดีนาไม่ต้องออกหรือจะอยู่หรือจะออก เสียงมากเสียงฉุนมากบอกให้ออกน บ, บีก็เลยเข้าไปใส่เสื้อกลอกใส่เตรียมอาวุธซาฮาบะดูเหมือนว่าเข้ามานั่งคุยกันพิจารณากันแล้วเราไม่น่าจะคมความเห็นของนะ บ, บีคือดะ บ, บีส่งสัญญาณแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากออกเราไม่น่าจะบังคับความรู้สึกของท่านเลย นบีครับไม่ออกก็ได้ไม่ไปก็ได้มันมีมีมีพวกที่เอาเบาะแสนี่ไปไปบอกกับมุชริกีนเนี่ยอันนบีใส่แล้วใส่เสื้อก่อนแล้วาบีก็เลยบอกว่าเป็นไ ป, นปนไม่ได้สําหรับนบีเนี่ยเมื่อใส่เสื้อเกราะแล้วเนี่ยเมื่อเตรียมตัวสู่สงครามแล้วเนี่ยที่จะถอดอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ว่าแม่ทัพแม่ทัพตัดสินใจอะไรก็ต้องเดินหะน้าแต่แตัดสินใจไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวว่าข้าวถึงเลยชนะแล้วไม่ต้องไปไหนเลยแม่ทัพแบบนี้เนะี่ยไม่ได้เรื่องเลยเถิดเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไม่ไปเนะนี่ยทำยังไงผมรู้สึกว่าเรานี่ ม, ม, มีเรานี่ขาดแม่ทัพที่เด็ดขาดนี่เอง ในเรื่องสงครามกับยาเสพติดเดี๋ยวก็ลุยเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็ลุยเดี๋ยวก็ถอยหรือเข้มแข็งในบางพื้นที่เดี๋ยวเคยดูนะดูเอเปิกเนี่ยจะจะเข้มแข็งมาประชุมระดับโลกนี่เดี๋ยวเขาจะเข้มงวดแต่พอแขกเขากลับบ้านแล้วน ะ, ะเหมือนเดิม ่ช่วงนี้กำลังตึงอยู่เพราะอะไรมีศพแกมีเลือดมีศพเด็กด้วยไมอะไคุยกันโอ้โหเราเนี่ก็เมืองไทยนี่โอโ้มันอนาคตรเราเห็นเห็นหน้าตาอนาคตอันสดใสแล้วเมืองไทยแต่ผมเลึกๆนี่ผมผมไม่ไม่รู้สึกไม่ดีเรื่องเหมือนเดิมแล้วอาการเดิมอาการเดิม ปีที่แล้วนี่ผมจำได้เนี่ยตอนที่ของเหตุการณ์ของโคโราชน่นนะก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวมีอีกเ ด, เดี๋ยวมีอีกจริงๆนปัญหาบ้านเราเนี่ไม่ใช่เรื่องสิ่งเสพตจจิงเดียวนะมันมันครบวงจรนะเรื่องหนี้สินสิ่งเสพติดเรืจจร่องศีลธรรมเรื่องคอรวทุบชั้นเรื่อง ความไม่ยึดติดอะไระมันคบวงจรใครหลุดจากวงจรนี่ก็ไปติดวงจรนู้ใครใครใครหลุดจากญาติพี่นี่ก็ไปติดกับเรื่องนี้สินใครหลุดจากนี้สินนี่ก็ไปติดเรื่องศีลธรรมใครนะเรื่องปัญหาเรื่องศีลธรรมใครหลุดจากปัญหาเรื่องศีลธรรมก็ไปติดปัญหาเรื่องครอบครัวอุ้ยยอะแยะไปหมดยอะแยะ คือถ้าเราเปรียบเรืออุปมาปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนศัตรูแหละศัตรูที่เรากำลังเผชิญหน้ากับมันที่เรากำลังต่อสู้กับมันเรานี่ก็เปรียบเรืนหนึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งเรากำลังนำทัพทัพทัพที่เรามีเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกครอบครัวอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักที่เราที่เราเคารพนับถือที่เรารักใคร่ที่เราสนิทสนม หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์อะไรบางอย่างเราอาจจะเป็นแม่ทัพที่เรากําลังนําทัพอุ่างนี้งานของเราความมั่นคงของเราการศึกษาการเรียนรู้อะไรตรงนี้อะไรที่ที่มันอยู่ภายใต้การดูแลของเราแล้วเราเป็นแม่ทัพเราต้องปกป้องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องปกป้องงานต้องปกป้องรายได้ต้องปกป้องนะความดีของครอบครัวต้องนี่ราชาเนี่ยเป็นผู้รับผระชน์เรานี่คือแม่ทัพแม่ทัพ เราจะเป็นแม่ท่าแบบไหน <c oughs> ความความความเป็นผู้นําเนี่ยไม่ต้องมีตําแหน่งนะในสังคมนะไม่ต้องมีตําแหน่งไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งที่จริงมีอะไรมากมายถ้าเราม า, ม า, ม, ามานั่งนับคํานวณด้วยตัวเองเนี่ยสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเรามีเยอะมากเลย ย่อมจริงๆงานการต่างๆที่เราต้องดูแลเ ร, เราเรานี่ผู้นำผู้นำชีวิตของเราต่อให้เราไม่ได้เป็นผู้นำประเทศไม่ได้เป็นผู้นำชุมชนไม่ได้เป็นผู้นำกลุม่มอะไรตรงนี้อะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่ภปยใ้ดูแลแค่นี้เนี่ยเราเราก็มีความเป็นแม่ทับเป็นผู้นำอยู่แล้วความเข้มแข็งที่เราต้องการถ้าเรา เปรียบเทียบว่ะสุลต้ววานวะนี่อัลลอฮ์กำลังสั่งสอนผู้สัตว์ว่ายอย่าอ่อนใจอย่าแชล่าใจกับศัตรูที่เราศัตรูที่ทําให้เราพอใจด้วยลมปากอย่างเดียวศัตรูศัตรูที่ล้อมชีวิตมีอะไรละ่ะโอ้เยอะแยะไปหมด สิ่งเสมทริ่นี่เป็นศัตรูแต่สังคมของเราเนี่ยเคยมียุคหนึ่งเราไม่มองว่าสิ่งเสื่ริ่นนี่มันเป็นศัตรูเพราะมันยังไม่ถึงตัวเราศัตรูนี่ฆ่าไปแล้วเนี่ยใครต่อใครเนี่ยเพื่อนบ้านญาติพีน่น้องนูนี่แต่คุบไปหมดแล้วแต่ยังไม่ถึงเราอ่ะนะเราเราก็ยังไม่มองว่าว่ามันเป็นศัตรูแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต จริงนะในชุมชนที่ผมเคยที่ผมเคยอาศัยอยู่เนี่ยใกล้ชุมชนเนี่ยก็มีอีกชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนแออัดหน่ อ, า อ, านอยชุมชนนั้นน่ะเป็นดงเลย่เป็นตลาดยาเสพติดเลยสารบัดและใครที่ติดยาเนี่ยก็ซื้อจาก อย่างนี้มีมเยาวชนคนหนึ่งหลายคนน่ะแหละติดยา ก, ก็ไปพยายามไปคุยไปบัตคือถึงขั้นที่เอาของขโมยของแล้วก็ไปแลกไปแลกมไม่มีตังค์ไปแลกของกับยาคือคุยกับเยาวชนนี่คุยมันไม่มีประโยชน์แล้วมันต้องไปไปไปตัด ตัดตอนนะหมายถึงว่าก็าเลยถามว่าเออไ อ, ไอคนที่ไอคนที่ขายเนี่ยเป็นใครอยากจะรู้จักหน่อยอยากจะรู้จักหน่อยก็พาไปหาว่าพาพาไปหาคนที่คนที่ขายยาเนี่ยพล้วก็พี่อไปยุ่งกับหลานผมได้ไหมเ อ, อ้ยผมไม่ยุ่งหรอกอยากให้มันมายุ่งกับกูแล้วกันอ่าแล้วผมขอแล้วกันนะถ้ามาเนี่บอกผมแล้วกันดูผม ดีผมจะเคลียร์ให้ทุกเรื่องแต่อย่อยาเบียขอร้องเด็กๆนี่อย่ายุ่งกับเขาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปรู้รู้ว่าผมเนี่ยไปหาไปหาคนนี้ใครอย่านะเฮ้ยไปหาเขาทําไมไปหาเขาทำไ ม, ไ เ, ำไมเดี๋ยวเขาจะมามาทำร้ายพวกเราเดี๋ยวเขามาทำร้ายลูกหลานของเราซึ่ง คือคือยาเสพ็จนี้มันมันเข้ามันมันเข้ามาทําลายแล้วในชุมชนเนี่ยมันมันเข้ามาหลายหลังคาเรือนแล้วมีคนที่ติดยาแล้วแน่นอนเขาไม่ดีหมายรวมว่าหลังบ้านที่มีแล้วอ่ะเขาหมายรวมว่าบ้านที่ไม่ยม่ยุ่งกับยาเนี่ยถ้าเราไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาเขาจะมาหาเรื่องกับบ้านที่ไม่มีไม่มีใครในสมาชิกติดยาก็หมายถึงว่าเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเฉพาะ เออเฉพาะบ้านที่ไม่มีใครติดยาแต่บ้านที่ก็ติดยานี่ก็พังไปแล้วไงการที่รวมใจกันจะได้ต่อต้านศัตรูนี่นะในสงครามนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละสงครามก็เป็นอย่างนี้แหละสงครามนี่ก็จะมีทหารบางคนนี่บาดเจ็บทหารบางค น, นี่ยังแข็งแรงยังไม่บาดเจ็บนียังแข็งแรงอยู่ใช่ไห ทาาหารที่บาดเจ็บบอกว่าโอ้เราไม่ไม่ไหวแล้วแย่แล้วปล่อยมันเราถอยดีกว่าถ้าแบบนี้ถ้าทหารทุกกองทัพแบบนี้ <c oughs> จ, บจบเลยไม่ต้องทำสงครามกันหรอกไม่ต้องสู้กันหรอกคือทั้งหมดเลยเนะี่ยคนที่คนที่เป็นแผลคนที่คนที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องรวมใจกันอันนี้คือปัญหาของสังคมทุกปัญหาทุกปัญหาในสังคมของเรา ต้องต้องรวมต้องรวมตัวกันนะร ว, รวมใจกันก่อนสิ่งที่สำคัญนะที่ทำให้คนบางคนในสังคมและนี่และนี่คือบทบาทหน้าที่ของสุรสอัตราวาที่กำลังกำลังเปิดเผยความรู้สึกที่มันอยู่ในหัวใจ ความรู้สึกของพวกมุนนาฟิกีนความรู้สึกของผู้ปฏิเสธสตาร์รวมถึงความรู้สึกของผู้สถาบางคนด้วยสุราทั้งหมดเดาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสุราที่อัศจรรย์มากเข้าไปขุดคุยสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจนี่ให้ให้ให้เราได้เห็นเออเราเราคิดอย่างนี้นี่สิ่งที่สําคัญนะครับที่เราต้องสังเกตคนดี ไม่เข้มแข็งในการที่จะต่อต้านศัตรูเนี่ยมันต้องมีอะไรคือต้องมีเชื้อโรคที่ทําให้หัวใจของเขาเนี่ยไม่เข้มแข็งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สรุปแล้วนว่าสรุปแล้วนว่ า, ววามีบางกลุ่มนิดบางกลุ่มนี้ผู้ศรัทธานี่ที่เขายังยังไม่เต็มใจที่จะที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องเนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ต้องการบําบัด สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของของกลุ่มเหล่านี้เขาบอกว่าจะไปทำสัญญาจะให้ให้ความน่าเชื่อถือในสัญญาในข้อตกลงของพวกนี้ได้ไงพวกเขานี่ไม่จริงใจวันดีคืนดีถ้าหากว่าพวกเขาได้ชนะแล้วนี่เขาจะจัดการพวกเจ้าเลยนะเขาต้องการความพอใจบางส่วนของพวกเจ้าแต่ที่จริงหัวใจของเขานี่ปฏิเสธว่าสารุมฟาซิกู และส่วนมากของพวกเขานี่เป็นผู้ละมืดแต่สิ่งที่ทำให้สิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเกาะกลุ่มกันและมาเป็นศัตรูที่มุ่งทำลายอิสลามเนี่ยต้องเข้าใจนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาต้องเข้าใจนะเขามีอะไรที่สร้างความหนักแน่นในในหมู่คณะของพวกเขาอัลลอฮฺบอ ก, กว่า اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. พ و กเขาไ بندى ا o n g ن n ه الله ل َ أ َ ب ِ ل ن َ ش ت ر و ا ا ش ت ر و ا ا ش ت ر و ا ن ش ا ر َ ر س ن ن ش ا ر َ ب و َ ب ِ و ي ْ ك َ ي ب ي ع و ش ر ا ء ใย้ขายเชื่อซื้อแต่บางทีเนี่ยคำว่าชืรอเนี่ยหมายว่าซื้อขายเหมือนกันอิสตาเราขาก็เลยแปลด้วยคําว่าแลกเปลี่ยนควาองค์การออนไลน์มาแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยสามานั้นกะลีแหละมานั้นสามันสิ่งตอบแทนราคากะลีแลนกะลีกะลีหมายว่าเล็กน้อยและเยอะละหมาว่าอะไรกะซิบ ถ้ามานนังนน้อยเล็กอไรีที่สะดูเขาเลกเลียนเขาไม่เห็นคุณค่าของคำสั่งสอนอิสลามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอ์ฝากไว้กับท่านท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลละวสัลลัมมาสร้างความสว่างในโลกใบนี้คุรานนี้เทียบมูลค่า ที่มาอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยคนเรานะ่ะเกิดมาจากมดลูกมารดาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าว่าเรามีค่าอะไรแต่พอเราโตแล้วเรียนรู้ศึกษามีผลงานเนี่ยนี่ี่คุณค่าของเราประเทศบางประเทศนี่อยู่ได้เพราะแรงงาน ไม่มีทรัพยากรไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรอยู่เพราะอะไรแรงงานแรงงานน่ยคืออะไรอะไรคือแรงงานอะไรคือแรงงานฮะคนน่ะไม่ใช่แ ร, ง, รงงานแรงงานน่ะเขาไม่ได้พูดถึงคนน่ะเขาไม่ได้พูดถึงคนน่ะแรงงานมันคืองานน่ะคนจะไม่มีความรู้นะไม่มีผลงาน ว่าไห ก, กรรมกรที่เราจ้างก็ดีที่เราจ้างเขามาันมามามาก่อสร้างมาอะไรนี่ที่ได้ที่ได้ค่าตอบแทนน้อยที่สุดในประเทศเนี่ยที่ดูถูกเขาอะ่ะถ้าไม่มีเขาอะ่ะก็ไม่มีบวกตึกสูงบวกโรงพยาบาลบวกโรงพักไม่มีไม่มีมม <c oughs> บางประเทศในแรงงานของเขานี่นะให้ความสําคัญมากกว่า มากกว่าราชการแผ่นดินแรงงานนี่ไม่ใช่ราชการนะแรงงานนี่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาไปทํางานต่างประเทศไปฟิลิปปินส์นะไปฟิลิปปินส์ในแรงงานของเขาเนี่ยรายได้อันดับสองของประเทศฉะนั้นทุกรัฐบาลเนี่ยเขาหาเสียงกันนะหาเสียงกับแรงงานนะพยาบาลฟิลิปปินส์เนี่ยพยาบาลยังนฟิลิปปินส์ในดิซาร์ดีเนี่ยหลักหมื่นซาดี่อย่างนี้ในประเทศเดียว หลักหมืหลักหมืน่นเจ้าของโรงพยาบาลพอ o, โรงพยาบาลคนหนึ่งโมโหพยาบาลฟิลิปปินคนหนึ่งตบหน้าตบหน้าไปไปสถานทูตไปร้องเรียนทูตไปที่โรงพยาบาลไปพบกับพออเขาขอโทษเดี๋ยวนี้ต่อหน้าต่อหน้าพนัก ง, งานทุกคนในโรงพยาบาลเฮ้ยไม่ทํากัลเลือดเทืออะไรพยาบาลอไรพวกเจ้าของโรงพยาบาลนนะ่ยเป็นสติไงเลือดเทือ ถ้าไม่ขอโทษเลยเขาเนี่ยเก้าหมืนคนนะ่ะพยาบาลฟิลิปปินเนี่ยที่อยู่ซาอุดีนี่นะทุกโรงพยาบาล น, นะกลับบ้านหมดคือทูดจะพูดเดบิวคือต้องมีไฟเขียวจากคุ้มครองประชาชนขชาชนคือใครแรงงานแรงงานน่ะพยาบาลนนะ่ะไม่ใช่หมอนะพยาบาล น, นะถ้าไม่ขอโทษนะนะเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีเรียกหอ อ, อเลย บ้าปะไม่อยากขอโทษนี่นั่นหมายรวมว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศนี่นะไม่มีพยาบาลทำงานนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมอหมอทําม่ได้ไม่ได้มีพยาบาลหมอมบ้าปาขอโทษเดี๋ยวนี้เลยแล้วขอโทษนี่นี่คือแรองงานคุณค่าของเราอยู่ที่ผลงานของเราไงแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ไม่ให้ความสำคัญกับผลงานนี่นะโอ้ <c oughs> แลกเปลี่ยนภาษีของเราเท่าไหร่เมื่อน่าจะสิบกว่าปีแล้วนะตอนนี้ผมเขียนบทความเกี่ยวกับเกี่ยวกับงบสสอส อ, อ, อะไร กองทุนส่งเสริมสุขภาวะอะะใช่ปะ่ะกองทุนส่งเสริมสุขภาวะสสะ ส, ะ ส, ะสะตามครบนะงบของกองทุนนี่มาจากไหนส่วนมากนี่มาจากภาษีสุร า, ลา <c oughs> และสุบรัฐบาลไม่ขายเล่าไม่ได้ รัฐบาลออกกฎหมายขายเล่าไปทั้งนั้นที่รู้นะว่าอาชญากรรมทั่วประเทศนี่นะเน่พี่น้องถ้าอยากจะตรวจสอบนี่ไปสุ่มตรวจดูนี่ดูช่องทีวีแล้วก็ดูดูข่าวสารอาชญากรรมทั้งหลายส่วนมากนะที่ข่าคนนูน้นไปตีคนนูน้นไปไปฟันคนนั้นไปยิงคนนั้นส่วนมากมีปัญหาเรื่องเมาแล้า คนดีทุกตีภรรยาคนดีตีลูกคนที่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่ามูเมาผมเมาครับเออผมแปลกใจนะครับบ้านเราเนี่ยพอบอกเจ้าหน้าที่ผมเมาครับเนี่คืออาชีพมันจะเบาไปเลยอ๋อคือเขาไม่ได้ตั้งใจไงปรากฏว่าปรากฏว่ามันมันเหมือนเทน้ําเย็นกับคดีเลยคดีคดีคนเมานี่นะแล้วก็คนที่เสนอข่าวนเนี่ยก็ต้อเนื่องจากว่า นื่งจากว่าดื่มสิ่งมึนเมาก็ เ, าเลยไม่รู้ตัวไงบางทีคือพักษานีนบางทีเนี่ก็คือมองมองไม่เหมือนไม่เหมือนคนที่ตั้งใจหมายถึงว่าไตรตรองไม่ดีไม่ดีมึนเมาสติสมบูรณ์ทุกอย่างนะแล้วก็ทําอาชกรรมอย่างนึงไม่เหมือนคนที่กินเหล้าหรือเสพยาแล้วก็ไปทําเอิบดูเหมือนน่าสงสารอาน่าสงสารและการศาสนาอิสลามเนี่ย ส่วน่าคนเมานะี่ยเมาเมาเนะเมาม่เรื่องอะ่ะคนเมานี่คคาแรกที่เขาจะพูดนี่คืออะไรกูไม่เมาไงคําแรกนี่ที่ฟ้องตัวเองไงกูไม่เมาคนเมาเนี่ยถ้าอย่าภรรยานะ่ะถามว่ารู้ตัวมะไม่รู้ตัวทัศนคุณลมาส่วนมากแล้วเป็นทัศน ท, ที่มีน้ำหนักมากกว่านะเพราะว่า อย่างของเขาเนี่ยถือว่ใช้ได้จะมาอ้างว่าอผมเมาแต่ ง, งั้น <c oughs> จบเลยจบเลยใครอ้างว่าหมอตอนนั้นนะผมเมาเตี้ยไวเลยยาบ้าสักสาเม็ดแ ล, ล้วก็ะยาแล้วถ้าจะเปลี่ยนใจเนีาอตอนนั้นนะผมเมานี่ไงนี่ไงจบเลยนี่คนเมานีนตงรงนี้ผิดชอบย้อนกับบอก คุณค่าของมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวคนนะไม่ได้อยู่ในตัวคนนะไม่ได้อยู่ในตัวสรีระของเขาอะนะแต่เดีนี้สังคมเนี่ยกำลังกำลังพลิกมาตรฐานเนี่ยเออเดี๋ยวนี้คุณค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ผู้หญิงอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่หุนผู้ชายนี่อยู่ที่หน้าตาอยู่ที่หุนที่มีฟิตเนสเยอะนี่เนะนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมันเป็นตลาดไงมันเป็นตลาด แต่ที่สังคมที่ให้ความสําคัญกับปัญญามากกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้สังคมแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะเรื่องเรื่องที่มีคุณค่านี่มาแลกเปลี่ยนกับสิ่งเล็กน้อยคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้เนี่ยจะมีมาตรฐานสูงจะเอาเรื่องอะไรเล็กน้อยนี่มาแลกเปลี่ยนเขาหนิเข า, เขามียอมหรอกแต่มุชริกินเนี่ย อัลลอฮ์กำลังบอกว่าชีวิตของเขานี่โครงสร้างชีวิตของเขานี่ยเขาจะติดกับโลกดุนยาคําสั่งสอนที่อัลลอฮ์ส่งมากับท่านนบีเขาไม่เห็นคุณค่าเลยแลกเปลี่ยนยอมทิ้งหละการศาสนานี่ยนะเพื่อรักษาผลประโยชน์เล็กน้อยเช่นเช่อนอะไรอ่นะการพ น, นันโสภเภณีพรอต่อกรธุรกิจของเขาธุรกิจของมุชริกีในสมัยนั้นอะไรกอยู่วนวนอยู่กับเรื่องนี้ การพนันฟังให้ดีนะการพนันดอกเบีย้ยโสเพณีขายรูปปั้นนี่ก็คือสิ่งงมงายสิ่งงมงายไปดูตลาดงมงายตลาดงมงายทั้งหลายเนี่ยอุ้มอุ้มซื้อมาเนี่ยอะไรอะที่น้องแครอะไรที่อไอ ที่เขาเห็นในวันที่มันขึ้นที่ฟังไมได้อะไรอ่ะช่างมันสิ่งงมงายเศรษฐศาสตร์นีงงมงายไหมเอองมงายเป็นตลาดไหมบ้านเราเป็นตลาดไหมเป็นตลาดความเชื่อความเชื่ออะไรต่างๆนี่ที่มีผลประโยชน์ผูกมัดกับมันอะความเชื่อที่มันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ได้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ได้อะนะ ที่ผูกมัดกับผลประโยชน์ในบ้านเราอะนะออคุ้มครองปกป้องคุ้มครองปกป้องมันถ้ามันไม่ได้สร้างความเสียหายกับคนอื่นแต่มันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจถึงแม้ว่าจะงมงายนะแต่มันเป็นธุรกิจช่องทีวีของหมอดูเนี่ยะครได้ดีกว่าไว้นะเอ อ, อ น, นี่ไงปัญญากับงมงาย แล้วก็มีมะกระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะเคยไปคุยอะไรกับเขามะคุยอะไรกับเขามะหรือองค์กรที่ตรวจสอบตรวจสอบเรื่องศิลธรรมเรื่องอะไรไปคุยกับเขมีคุ ย, คยผลประโยชน์เราจะไม่เชื่อล่ะก็อยลบหลูคือมันแฝงไม่เชื่อเอย่ยมายุ่งอันนี้คือความหมายแบบตรงไปตรงมาคือถ้าไม่เชื่อ ไอย่ามายุ่งไม่ใช่ว่าเออถ้าไม่เชื่อมันงมงายสังคมแบบนี้มันก็งมงายสังคมไม่มีปัญญาสังคมตกต่าเราต้องร่วมกันต่อต้านเออไม่ใช่ถ้าไม่เชื่อกระต่างคนต่างงมงายเอออันนั้นคือความหมายแต่ก่อนนู้นน่ะเขาอยากจะบอกกับนบีมุฮัมมัดกันอย่างงี้แหละไม่เอาโสเภณีไม่เอาชิริกไม่เอาเรื่องงมงายต่างๆไม่เอาเรื่องความเชื่อเรื่องหมอดูเรื่องการพนันเรื่องดอกเบี้ยนี่ไม่เอานี่ ก็ไม่ต้องเอากระโวเอาเอชตอรอาไอายาติอัลลอฮิองค์การที่อัลลอซุมฮานะนั้นเราห้ามสิ่งเรล่านี้เรื่องความงมงายซิริกเนี่ยโดยโดยแท้จริงกันนะซิริกเนี่ยการตั้งภาคีกัม่อเนี่ยเป็นการปกป้องปัญญาของมนุษย์นี่ไม่ให้ ง, งมงายกับสิ่งจอมปลอมนี่คือคือเกน่นแท้ของของคําสั่งสอนอิสลามในเรื่องนี้ คำสอนอิสลามนี่คือให้เราเนี่ยยึดมั่นในความจริงในศัตธรรมสิ่งที่มีอิสลามกําลังบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีแต่พระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยที่ถูกบูชาสักการะอื่นจากอัลลอฮ์นี่อันนี้ไม่มีเา้าค า, าเรานี่มีคนนึงจะเข้าห้องนี้เนี่ยไม่เข้าไม่เข้าไม่ไม่เข้าเหร ท, ที่นี่มีบรรยายนี่มีบรรยายมีการละหมาดมีเรื่องดีข้างในเนี่ยมีงู เราก็เลยว่าไม่มีข้างในไม่มีงูไม่มีสิ่งเลวร้ายเราไม่ต้องการจูงใจเข้าหรือล้างสมองเขานี่ให้มาอยู่กับเราเปล่าลเราก็กลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีและไม่มีสลามคืออย่างนี้อะไรที่มีและไม่มีพระเจ้าที่มีพระเจ้าที่ไม่มีสิ่งที่มีและไม่มีโดยคำ น, นี้คืนนี่คือวิทยาศาสตร์นะ วิทยาศาสตร์ท <isphere timeframe> ี่กํลังที่กํลังที่เขากํลังต่อต้านศาสนาอิสลามหรือต่อต้านผู้สรัทธานี่ว่อ้งงง่ายไม่มีแต่เขายึดในมาตรฐานส่วนตัวไงมาตรฐานส่วนตัวเขาเนี่มีอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้พิสูจน์ไม่ได้นั่นพิสูจน์ได้นี่พิสูจน์ไม่ได้แต่ยิ่งเนเรื่องเรื่องพิสูจน์เนี่ยเขาเองก็ยอมรับว่าไอสิ่งพิสูจน์เนี่ยสิ่งพิสูจน์เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า มีเครื่องมือพิสูจน์หรือไม่มีได้มีเครื่องมือพิสูจน์ก็พิสูจน์ได้ก็ยอมรับแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือพิสูจน์สุดท้ายก็ไม่ยอมรับแต่ทุกคนนี้ก็ยังเถียงกันไอช้ชายวีเนี่ยมีหรือไม่มี <g ül üyor> ทุกยังเถียงกัน <c ười> วิทยาศาสตร์กันเองนะเถียงกันเองแต่ส่วนมากเขาเขาเขาเข า, เขามีอะไรแต่ <c ười> น, นี่แค่แค่บอกว่าเออเรื่องเอ ง, เองวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยนะแต่ก็ยังเถียงกัน สืบเนื่องจากเรื่องเครื่องมือพิสูจน์แต่ก่อนนู้นอะ่ะพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าบุรีนี่มันอันตรายถึงขนาดที่อุลมามะท่านหนึงเขียนหนังสือส่งเสริมให้สู่บุรี่เมื่อสองร้อยกว่าปีมีหนังสือเล่มหนึ่งส่งเสริมให้สู่บุหรีแต่ก่อนนุ่บุรี่เท่ไงเท่ไขถากรูปแต่ก่อนนู้นอะ่ะร้อยกว่าปีเนี่ยต้องมีต้องถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้สู่บุรีนะแต่ต้องมีบุรีความเท่ แต่ก่อนนมีใครรู้มว่าอซูบุรีนี่เป็นมะเร็งใครรแต่ก่อนนั้นใครมาเถียงว่าูบุรี่อันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันใครเชื่อหรอแต่นั่นหมายรวมว่าบุหรี่มันไม่อันตรายใช่ไหมเพราะเรายังไม่มีเครื่องมือพิสูจน์ยังไม่มีเครื่องมือพิสูจน์หลาะะรอะไรหลายอย่างตอนเนี้ยที่ยังไม่มีเครื่องมือพิสูจน์ชัดเจนเราก็ยังเถียงกันอยู่ และการแลกเปลี่ยนองค์การของรัศมีพ า, านวุวาตาละกับสิ่งเล็กน้อยเนี่ยกับราคาเล็กน้อยเนี่ยมักจะเป็นเครื่องมือของของคนเหล่านี้ส่วนที่จะขวางขัดขวางผู้คนเนี่ยไม่ให้เข้าถึงหนทางของรัศมีพ า, านวุวาตาละฟอซดูอันซาบิลีฟอซดูอันซาบีลีแล้วก็ขัดขวางผู้คน ให้ออกจากทางของอัลลอฮฺซาบิลิฮีเนี่ยเดมาละบนโลกเดินบุสิกาเดี๋ยวมาละแน่นอนมีชนเวลาละหมาดชัวชแล้วชัวชนเวลาละหมาุบฮีชนเวลาละหมาอิชชัวเลยดูบน ยังไม่คุยนะดูบอลได้ไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คุยนะสมมุติสมมุติสมมุติก่อนนะสมมุติไว้นะอย่าไปบอกว่าเช็คบอกาดูบอลได้สมมุติไว้นะสมมุติไว้ก่อนว่าดูบอลได้นะตามเนี้ยที่ดูบอลแต่ต้องละหมาดสิ่งที่ก็ประสบความสําเร็จในการที่จะยุบยวนหรือหลอกลวงหรือ เปลี่ยนแปลงทัศนคติของมุสลิมเนี่ยให้มีค่านิยมค่านิยมชอบดูบอลชอบดูบอลทำไมเรียกว่าค่านิยมค่านิยมนมันมันมันไม่ได้เป็นดีเอนอนะเราไม่ได้เกิดมานมีดีเอ A นชอบบอนลนทำไ ม, ำไมอ่ะเพราะในโลกนี้นมีคนที่ไม่ชอบดูบอลไมมมีมนี่นี่ผมเป็นคนหนึ่งไมีคนนิยมดูบอลคนไม่นิยมเป็นค่านิยมแต่เขาประสบความสาเร็จ แต่ไม่ได้ต่อต้านเรื่องบอลนะนะทุกเรื่องอ่ะแหะที่ที่มันมีค่านิยมที่สวนทางกับหลักการกับกับองค์การของเราส่วนนี้มันจะได้สอดคล้องกันอ่ะยประสมความสําเร็จที่ทําให้เรานี่มีค่านิยมชอบดูบอลมากกว่าชอบละหมาดไม่ต้องพูดถึงเรื่องละหมาดซุนน่าหรืออ่านกุตอ่านเรื่องสุนนรภูเอาเรื่องฟัดูเอาของของจริงก่อนฟัดูค่านิยมที่ได้รู้รู้รูอ่ะเนี่ย แมทนี้นะสองชั่วโมงมันสี่สิบห้ากับสี่สิบห้านะสี่สิบห้าสี่สิบห้าใช่แล้วพักเท่าไหร่ลืมไปแล้วนะมไม่ได้เขาพักกันสิบห้านาทีปะ่ะประมาณสิบห้านะรวมทั้งหมดนี่เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่ง น, นะสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะเกือบสองชั่วโมงมาเลยนแมท ที่เราบราซิลกับอะไรอ่ะอังกฤษอย่างเงี้ยอโหแม่ชีวิตทั้งชีวิตนีเนี่ยมันจะมาช่วงไหนอะ่ะทีสุชรุกละ่ะชุรุกนี่ตีห้าครึ่งสมมตินานีผมแก่สมมติชุรุกนี่ตะวันขึ้นเนี่ยตีห้าครึ่งนั่นหมายรวมว่าต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ไม่ดู ต้องเวต้องมีเวลาที่ดูไม่ได้ต้องไปละหมาดนี่ตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่แลกเปลี่ยนสิ่งเล็กน้อยกับองค์การของ Allah หรือเปล่าตัวพิสูจน์พิสูจน์แน่นอนขอให้เรานิยมอะไรชอบอะไรแบบติดกับอะไรนี่พยายามพิสูจน์ให้ตัวเองได้เห็นว่าเราเราไม่ไม่ยอม ที่จะเป็นคนประเภทเนี่ยเอาสิ่งเล็กน้อยดูบอลทาไมผมยกตัวอย่างละมาซุบฮีเพราะท่านนบีบอกว่ารักะตาเยลรกกะตาเยลรักะตายิลฟัจรีสองรักะอาตของฟัจรนี่สรนบีหมายรวมมาซุนนะของฟัจรในไม่ใช่ตัวละหมาดฟัจรนะซุบฮน แต่กว่าสองระกาตของฟาจันเนี่ยค่อยรุมมีนัดดุนเงียวมาเฟียดีกว่าประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกดุนยานี้โลกดุนยานี้มีอะไรมีสโมสรมีเจ้าของสโมสรที่เป็นเศรษฐีมีรายได้ของประเทศต่างๆมีทรัพยากรอู้นี่เอามาหมดเลยมารวมหมดเลยนะลนนะาาเนี่ยและหมาดซุนนาซุบี้สองระกาตเนี่ยดีกว่านะนะั้นทั้งนั้นไม่ใช่ดูแมทนะไม่ใช่ดูบอล ครั้งหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเทนะียบแล้วอ่ะนะอง ค, ค์การของล l l a นี่ดิโอุร r a n a l f a j r อินน์ Qur'an a l f a j r นั้นี่องค์ก า, ร, า, ดดารของ Allah นี่ฟูปทุกคนบตของฟัจัดนี่สมันันคลีแล้ะราคาเล็กน้อยเนี่ยใช่ดิเล่นบอลแมตต์ดเดียวเนี่ยระหว่างสองสโมสรเนี่ยในบอนลโลกปีเดียวเนี่ยคือเทียบแล้วกับทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยจิ๊บอะ แต่เราอยอมเลกไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งละมาสานาุนนะนะสุโบเลยสุบละมาแปบแป๊บแปบหนึ่งมันโอ้ยผมเคยเทียบนะคนที่คนที่ดูต่อคนที่ดูดบอลดูทีวีดูละครหนังต่งตคนนู็นพวกพวกบูชาทีวีทำไมเหว่าเหมือนคนที่บูชาบูชาสิ่งเคารพสักการะนี่แหละ แล้วจะมีใครมา อ, มอย่าบังเขามีสมาธิอยู่อันนี้บูชาไหมเนี่ยอย่าบังเ <c oughs> ออเป็งเรื่องเรื่องเรื่องบังเนี่ยอิสลามเป็นเรื่องธรรมชาติขอไม่ควรที่จะมีมาตรฐานแบบเขาเพราะเขานี่มีสิ่งที่ยึด อันเป็นราคาเล็กน้อยที่ทำให้เขาเนี่ยได้ละทิ้งองค์การของเราและพวกเจ้าและอาวุโสทธาพวกเจ้าจะทิ้งองค์การของ Allah เกรนันเดออินนุมซา أ ก ا كانوا يعملون แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ฟังให้ดีนะแท้จริงพวกเขานั้นอินนาม ซ่เอมาแกนุยามาลุนสิ่งที่พวกเขาทำอยู่มาแกนุยามาลุนนี่สิชพนูนนะช่างชั่วช้าจริงๆแท้จ ร, จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่โอเคไหมสำนวนแบบเนี้ยแต่เขาแปลาตามตามคำตามประโยคอินนะฮุมอินนะแท้จริงฮุมพวกเขา ก็ต้องแปลตามนั้นแซอมาเกานุยามารุนแซอันีนปนว่าช่างชัวชาจริงๆนะมาเานุยามารุนแม้สิง่งแกนที่พวกเขาทํายามารุนทําอยู่ก็ต้องแปลอีกแต่ที่จริงเนี่ยสัพนามนี่มันก็อันเดียวกันแหละภาษาอังกฤษเนี่ยเออสัพนามสองครั้งนี่ไม่มีปัญหา คือหมายถึงว่าในทำนองเนี้ยเอ่ยสรพนานมแบบเนี้ยสองครั้งเนียมีปัญหาเพราะเพราะเพราะต้องต้องเอ่ยแต่ในภาษาอื่นไม่จำเป็นว่าจะเหมือนภาษาอรับเสมอแทนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สรพนานำสองครั้งแท้จริงพวกเขานั้นทำในสิ่งที่ชั่วช้าจริงๆแท้จริ ง, รงพวกเขานั้นทำในสิ่งที่ชั่วช้าจริงๆ แบบนี้มันไทยๆหน่อยอันนี้เลยนะเดี๋ยวอีกอายาหนึ่งเนี่ยผู้แปลนี่คือกูไดรีวินอัลมัดเนี่ยเขาก็พูดนะว่าถ้าแปลแบบนี้สะพานามสองครั้งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่สวยงามดูจะมาแต่วันนี้ค ง, ค ง, ค, งคงไม่ทันเรืออาจจะทันไม่แน่ใจเขาก็พูดทำนองเดียวกันแหละว่าเออถ้าแปลแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ไทยๆแปลง่สพานามนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สองครั้ง ไม่ต้องใช้สองครั้งอันนี้ก็เหมือนกันอินนาโฮมซาอามากาณุยามาลูนแท้จริงพวกเขานั้นหรือแท้จริงสิ่งที่พวกเขาทําอยู่สิ่งที่พวกแท้จริงสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ช่างช่างชั่วช้าจริงๆรครั้งเดียวเออแบบ น, น, นี้มันก็ดูเลื่นๆหน่อยแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขานนั้นทําอยู่ มมมมันเยอะพวกเขานี่คือถ้าถ้าสพนามในภาษาเรโอเคหลายครั้งนี่ไม่มีปัญหามันไม่มันไม่ทำลายความสวยงามแต่ถ้ามาแปลเป๊ะะเนี่ยคนนี่อยากจะสัมผัสคืออยากจะคืออยากจะฟังกุรอ่านแล้วก็ดูลื่นๆนะนะเพราะมันมันมันมาขัดในเรื่องตอนแปลเนี่ยเนี่ยปรากฏหัาแม้กระทั่ง แม้กระทั่งความหมายคุณอ่านของอาจารย์เดเริกซึ่งท่านเก่งมากเรื่องภาษานะี่แต่ท่านยึดตัวจะต้องแปลตามตามสำนวนแล้วบางทีนี่ก็เนี่ยสัรสนามนี่ก็ก็เลยเอ่ยไปสองครั้งมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามอันนี้ก็เลยมามาบอกกับพี่น้องว่าบางทีในการการการแปลเนี่ยเราไม่ต้องยึด ไม่ต้องยึดตามคําศัพท์ของกุรอ่านเพราะอะไรเพราะภาษาไทยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กุรอ่านนะนี่คือแปลอะไรไม่ใช่แปลกุรอ่านแปลความหมายก็ไปดูดิทุกเล่มมนะันอ่ะที่ที่แปลความหมายกุรอ่านเราไม่ได้แปลกุรอ่านนะแปลกุรอ้ายุ่งนะแปลกุร์ตอ่านไม่มีใครบังอาจทําไม่ได้ เราแปลความหมายคุณอ่านที่นี่พรแปลความหมายคุณอ่านเนี่ยโยกย้ายจากภาษานี้ไปภาษานี้เนี่ยเราจะยึดติดไวยากรณ์ยึดติดสำนวนอะไรของภาษาภาษาของภาษาอาหรับนี่มามามาลอกมาอยู่ในภาษาไทยนี่โอ้พังหมดเลยมันคนละคนละภาษ า, าไวยากรณ์ไม่เหมือนกันสำนวนความสวยงามของของของภาษานี้ไม่เหมือนกัน น, นี่ น, นี่ น, นี้ก็ต้องระวัง ก็มากุศอ่านภาษาไทายบ้านเรานี่ต้องการคนรุ่นใหม่เนี่ยผมไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะ่ผมผมผมแก่แล้วก็หมากุศอ่านเนี่คนที่แบบว่ า, าเรียบเรียงอาจจะไม่ต้องแปลใหม่ก็ได้แค่เรียบเรียงนะแต่มันไม่ใช่งานเล็กนะงานใหญ่งานใหญ่มากเรียบเรียง แต่อันนึงจะได้จะได้เราจะได้ยืนยันว่าพาะมันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้วยเห็นคุณค่าของราคาเล็กน้อยแทนคุณค่าขององค์การของอัลลอฮสุบฮานาวตนี่นี่คือนี่คือปัญหาใหญ่ของทุกสังคมที่มีอบายมุก และไม่เห็นคุณค่าของคําสังสอนของศาสนามาเราเนี่ศาสนาทุกศาสนาเลยนะบอกว่าการนันนีบาปทุกศาสนาเลยบอกว่าบาปแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วคนทั่วประเทศนี่ไปมาสิทธิ์ไปฟังขอตบุบะไปวัดไปฟังเข้าเทศไปเขาก็รู้แก่ใจว่านี่นี่เนเป็นบาป เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาคนที่ทำนี่มีบาปแต่ออกจากมาสัสยิดออกจากวัดมุสล่มหวยแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าราคาเล็กน้อยเล็กน้อยดิถูกหวยรางวัลใหญ่นี่เท่าไหร่หกสบล้านป่ะนะหกสิบล้านเนาะเล็กน้อยกับองค์การองละสุบฮานะวะดะกาะทำกระที่น้องมุสลิม อันไหนที่อยากได้มากกว่ายึดมั่นในหลักการศาสนาเนี่ยคําสั่งสอนของอิสลามหรือถูกหวยหกสิบล้านผมผมผมมัานั่งนึกนึกคาตอบนูเสียวเลยอ่ะกลัวกลัวมากเลยอคำถามนี้จับคําจริงๆอยู่ในชีวิตนี่ยึดมั่นในหลักการศาสนาเนี่ยเก่งคัดเนี่ยดีกว่าหรือถูกหวยหกสิบล้าน ใครก็ไดมม้มุสลิมหรือพุทธนจับมือแล้วถามคนมีธรรมะธรรม บ, บคนยึดมั่นในหลักการศาสนาคำสังสอนหรือถูกหวยหกสิบล้านเลอกพี่น้องคิดดาเปอร์เซ็นต์มันรูยังไงโอ้น่ากลัวหน้ากลัวแม้ว่าสังคมส่วนมากเนี่ยเห็นคุณค่าของอะไรเล็กน้อยใช่ไหมมากกว่าองค์การคำสังสอนของศาสนาใช่ เ, เรื่องที่ไ เ, เรื่องที่น่ากลัวมหมเรื่องที่น่ากลัวนะน่ากลัวจริงจริงดังนั้นไม่มีไม่มีโอกาสหรอกที่เราจะต่อต้านยาเสพติดไอ้ไอเจ้าของไอ้เจ้าของพรบบพรบออกัญชงกัญชานี่โอยกูโชคดีดีว่าที่ไปยิงนี่นะมันติดยาบ้าไม่ติดกัญชา โชคดีดีพราะถ้าหาว่ามีหลักฐานนะว่าก็จบเลยนะถูกต้องไหมจบเลยนะเออแล้วเราก็ต้องทดลองใช่ไหมต้องต้องรอให้มีอาชีพกรรมแบบนี้เนี่ยกี่รอบนะอ่ะคนนี้นี่ทําอาชีพกรรมกาไปห้าสิบคนเพราะอะไรดูดยาบ้ากินยาบ้าเอาต่อต้านยาบ้าอีกคนหนึ่งอาชีพกรรมฆ่าไปร้อยคนร้อยศพทําไมกัญชาต่อต้านกัญชาอีกคนหนึ่ง ข้าเมียข้าลูกข้าเลยเพราะอะไรเพราะดื่มกระถ่อมอัตตนกระถ่อมเราต้องทดลองทดลองสังคมทดลองชีวิตเรากันแบบนี้ใช่ไหมเรื่อยใช่ไหมจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าเออมันอันตรายวิทยาศาสตร์นี่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันอันตรายแต่อันตรายนี่ต้องเขียนด้วยน้ำหมึกแห่งเลือดเลือดลูกหลานของเราแท้ๆเลยนะมันจะได้เก็ต่าเอออันตรายจริงเออนะอันตรายเนาะ เราก็มาย้ําอีกทีนึ่งว่าคนที่พวกเจ้ายังลังเลใจที่จะประกาศสงครามกับพวกเขาเนี่แท้จริงหลาบูนฟีมุเอมินอิลลวะละดิมมะว่าอุไลกะฮุมุลมูอัตดูนพวกเขาจะไม่คํานึงถึงเครือญาติและพันธะสัญญาในผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดเขาไม่สนใจหรอกถึงแม้ว่าผู้ศรัทธาคนนั้นจะเป็นญาติเป็นญาติาตแท้แท้เหมือน พ่อของ Abu Ubaida อาหมริบินจรอห์เนี่ยองค์กาบัตรเลยละลูกไม่ได้เ่าลูกไม่สนเตะลูกก็หนีเพราะไม่อยากไม่อยากปรเชิญหน้ากับพ่อว่าอุลาอีกละชนเหล่านี้แหละฮุมุลมอตดูนพวกเขาคือผู้ละมิดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดสวยไหมและชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิด โอเคไหมแต่วัวอุละอีกสีเขียวนี่นะและชนเหล่านี้แหละฮุมพวกเขาคือมันก็พวกเขาก็คือชนเหล่านี้ไงชนเหล่านี้ก็คือคําว่าพวกเขาเนี่ยอันเดียกันแหละในภาษาอังกฤษนี่ใช้สองสรรพนามติดติดกันเนี่ยไล่ไกันเนี่ยมีความหมายมีความหมายลึกซึ้งแต่จะเอามาใช้ในภาษาไทยอนะมันก็ซ้า ไม่ไม่มีประโยชน์และชนเหล่านี้แหละพวกเขาพวกเขากับชนเหล่านี้คือก็คือสรพนามเดียวกันนะแต่ถ้าเราอ่ะและชนเหล่านี้แหละคือผู้แหลมเมิดเออมันก็เลื่อนๆมาเนี่ยผู้และเมิดออม น, น, น, น, มนี่ก็หมายถึงว่าเหตุผลของคนที่วะกูทําไมไปต้องไปทําสงครามมาอะไรกับเขานี่เขาเนียงรักษา ยังรักษาข้อตกลงอยู่รักษาข้อตกลงที่ที่ที่นบีบอกว่าให้สีเดือนแล้วก็แล้วก็ปรับปรับปรับใหม่สถานะมาปรับใหม่มีคนเดียงก็เขาไม่ได้ละเมิดไม่ได้อะไรนี่อะไรบอกวก็ชนเหล่านี้แหละคือผู้ละเมิดเป็นละเมิดที่แท้จริงทำไมอ่ะก็เขารอจังหวะ่างเดียวแต่หากว่าเราไม่จัดการคนเหล่านี้เนี่ย มุเลมาีบอกว่าข้อกฎหมายนี้ในในสรตเนี่ยหมายรวมหมายรวมพวกมุสริกนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับในยุคของท่านในปีุัใช่เราก็ยืนยันเร่งนี้มาตลอดฉะนั้นทุกคำสั่งในสุรัตโดยเฉพาะสูอาญาที่เขาจะชอบเอามาใช้บ่อยนะแล้วก็ามาใต้สีมุสลิมจงประหารประหารนะ ตุลูมไฮซัวจัตตุมูมเจอที่ไหนนี่ก็ประหัดประหารวพานี่เนี่ยเขาสั่งให้ใครเจอใครนี่มันมุสลิมนี่ข้าหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่นี่มันมีมันมีเงื่อนไขมีอะไรในในสถานการณ์ที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ถึงกระนั้นก็ตามนะแต่นั้นไม่ได้หมายรวมว่าอายาณีนี่นะถูกประธานลงมาที่ข้ามสมุทรอาหรับในช่วงนั้นน่ะแล้วก็จบตอนนั้น จนตอนนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนั้นนะแสดงว่าสุรัอตอตบ้านี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เร า, าก็กำลงังอา่านตบ้านจะได้ชมของโบราณของเกาเ่าๆออะไรนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเซโกล่าที่เขาบอกว่าคุณอ่านนี่มันเป็นของเก่าแล้วมาใช้ในปัจจุบันนี่ไม่ได้แล้วใช่อายะต่างๆในสุตรานุสิ <altogether> เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ แต่ถ้าหากว่าเงืนไขต่างๆที่เก so ิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นอาสมมุติวเราเจอศัตรูกลุ่มหนึ่งไม่รักษาสัญญาเลยข้อตกลงแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำลายอิสลามอย่างเดียวมีมีมันมีหลักฐานมีมแล้วเคยเกิดขึ้นเยเกิดขึ้นในบราสารนี่เคยเกิดขึ้นพวกตาตาร์หมาฮูนหที่เข้ามาบุกรุกโลกมุสลิมทาข้อตกลงข้อสัญญาอะไรนี่ ไม่เลี้ยงเลยเข้ามากวาดล้างโลกมุสลิมโดยเฉพาะตอนที่เข้าเมืองหลวงเบอกแดดจํานวนน้อยที่สุดตามหนังสืออัลบิดายาวันนิฮัยนี่หนังสือประวัติศาสตร์ของอิบาดีกาซีรเนี่ยจำนวนน้อยที่สุดที่พวกตาตาร์ละมาุนูนนี่มาสังหารมุสลิมในเมืองเบัรกแดดในศตวรรษที่หกจริงหร จำนวนน้อยที่สุดเนี่ยแปดแ 0,000 นคนสังหารในหนึ่งสัปดาห์นี่นะหนึ่งสัปดาห์นี่ฆ่าอย่างเดียวเจอเจอชีวิตอะไรนี่ฆ่าหมดจำนวนที่มีรายงานนะว่าเขาฆ่าลนะแปดแสนคนมีบางทัศนะบอกว่าหนึ่งล้านคนบางทัศนะบอกว่าสองล้านคนไม่แป่งนะแบ่งแดดตอนนั้นนะ่ะไม่ใช่เมืองหลวงของอาณาจักรอาบบะซียาอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าบาักดาดาซิมาตุ ด, ดุน เป็นเมืองหลวงของโลกทุกคนที่มาบักแดดเนี่ยจากจีนจากอินเดียเนี่ยเขาก็จะทึ่งกับอารยธรรมของมุสลิมแต่สิ่งที่แน่นอนเขาบอกว่าแม่น้ําแม่น้ ำ, นำยูเบรโตสฟลอตหรือดิดจลา่านีสองแม่น้ําที่คลุเมืองบักแดดเนี่ยนะกลายเป็นสีแดงเพราะเลือดน้ําเลือดปนกับเลือดคนที่ถูกสงังหาร สัปดาห์แรกเนี่ยน้ำเป็นสีแดงสัปดาห์ที่สองนี่นะกลายเป็นสีดําเพราะเอาตำรับตำราในห้องสมุดหนังสือของอุลามาซึ่งบังแดดตอ้นอุลามาเยุะมากเอาตำรับตำรานี่มาทิ้งในแม่น้ำหมดเผาในแม่น้ำกลายเป็นสีดำนี่เธอถึงเวลาที่ก็ชนะแล้วเนี่ สงครามโคเซตคริสต์นี่พอเข้ามายึดเยรูซาเล็มในอลัลกุสนี่นะสังหารทุกคนเลยนะในเยรซูซาเล็มมุสลิมทุกคนในสังหารผู้หญิงเป็นเชลยหมดแต่พอซาลาหอ ด, ดีเนี่ยพิชิตคืนนะไม่ฆ่าใครเลยจะออกนี่ก็ออกขับไล่อย่างเดียวออกไม่ฆ่าใครเลยทุกหนังสือประวัติศาสตร์ของโคเซตของฝรั่งนะ ชิ้นชมชิ้นชมซาอุดินเพราะแม่ทํานี่บอกว่าท่านทำได้ไงอ่ะเราเนี่ยตอนมามายึดเมืองเยรซูซาเล็มเนี่ยเราฆ่าหมดบอกว่าผมเนี่ยไม่ใชพวกไม่ใชพวกคุณผมคือผมเนี่ยไม่คนเราเนี่ยไม่ใช่พว ก, พวกคุ ณ, ค เ, ค เ, รคณเรามีคําสั่งสอนปัจจุบันนี้เนี่ยที่เห็นนะกน็คื อ, อยิวข้อตกลงสารพัดข้อตกลงกับยิว ก็มีคนบอกว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยจะคืนมาด้วยสันติภาพด้วยการเจรจ า, าด้วยกันก็เจรจ า, ากันมาแล้วห้าสิบห้าสิบครเจรจ า, าไปเจรจ า, ามาเอาแบ่งแล้วนะอันนี้ของพวกคุณนะนี่ของเรานะอันนี้จะเจนแล้วนะยูเอนมาเป็นพยานแล้วนะออกมติสภาความมั่นคงสหประชาชาติแล้วนะทุกอย่างเลยน ะ, ะเจนแล้วนะอ่าสุดท้าย อันนี้อันนี้ขอนี่นะอันนี้ขอน่อันนี้ขอนะอันนี้ขอนะา ข, นะขอตกลงและยังจะเชื่อเขาอีกละ่ะฉะนั้นใครก็ตามที่มุ่งทำลายอิสลามและทำลายมุสลิมและไม่รักษาข้อตกลงไม่รักษาไม่รักษาศักดศีของคำรับปากของเขานีนะที่ก็ไม่การที่เราการที่เราจะจะต้องรักษา สัญญากับเขาเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายไงอันนี้ที่อัลล์หมายถึงอัลล์หมายถึงโอ้ยน่าจะเลยเวลาไปแล้วเนาะไอ้ที่อ้ที่สิบเอ็นี้ยกไปยอดยกยอดไอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับัสลามุอฮุอะลยฮุอะลัฮอะัยฮุอะลัอะลัยุอะลฮุอะลัยลัยุอะลัยุะะะ อลลอบอกว่าตารรุ่งขมลาค์กต uh, ัวร oh ูป wa, ุ un, ่นในวันนี้เปนมิควดารูปห้าสิาเนศนนีอัลเมาบอกว่าวันห้าหมืนเท่ากับห้าหมื่นปีนี่คือวันเกียร์มาเนี่ยความยาวนานของความยาวนานของวันเกียร์มาเนี่ยอันนี้สําหรับคนทั่วไปและโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่ฝ่าฝืน หลักการศาสนาซึ่งจะแตก